ย่อมเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเป็นชนะยคือสังฆสามัคคีนะครับการทำสง์ให้สมัรสมานสามัคคีกันเนี่ยนะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายก็เมื่อสงพร้อมเพียงกันอยู่ย่อมไม่มีการบาดหมางซึ่งกันและ ก, กัน ไม่มีการบริาพาทซึ่งกันและกันไม่มีการขับไล่ซึ่งกันและกันในเพราะสังฆสามัคคีนั้นชนทั้งหลายผู้ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใสและชนผู้เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะความสมรัรสมาสามัคคีปรองรองนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าความพร้อมเพียงของมู ให้เกิดสุขนะครับหมู่คณะพร้อมเพรียงนี่มีความสุขนะครับและการอนุเคราะห์ซึ่งหมู่ผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุขผู้ยินดีแล้วในหมู่ผู้พร้อมเพรียงกันตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมะอันเกษมจากโยคะผู้นั้นกระทำหมู่ให้พร้อมเพรียงกันแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเห็นไหมถ้าทําสงให้พร้อมเพรียงกันเนี่ยนะได้บุญตลอดกับอย่างนั้นเถอะ บทว่าเอกธรรมโมได้แก่ธรรมะเป็นกุศลคือเป็นธรรมะไม่มีโทษอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับก็หากว่าความวิวาทจะพึงเกิดขึ้นในสงนี้ว่านี้ทำนี้ไม่ใช่ทำเป็นต้นในข้อนั้นวินยูชนไคร่ครวนคว ร, ควรสำเนียกคือศึกษาว่าข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้คือการวิวาทนะเมื่อเจริญขึ้นพึงเป็นไปเพื่อความร้าวรานแห่งสง์หรือเพื่อความทำลายสง์ อันนี้เนี่ยถ้ากลุ่มนี้เริ่มทะเลาะกันแล้วนะลุกลามใหญ่โตแน่นะวินยูชนไข้ครวญดูแล้วโอโ้โหนี่หนักๆเข้าจะถึงขนาดสังกเพศนะเนี่ยหากว่าอาธิกรณ์นั้นตนเองตั้งขึ้นยกขึ้นตั้งไว้เองนะเรื่องนี้ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นนะควรรีบงดเวนจากอาธิกรณ์นั้นเหมือนเหยียบไฟฉะนั้นเหยียบไฟก็รีบชักเท้าออกซะนะครับเพราะอะไรครับเพราะมันมีทุกข์มีโทษอะนะ เมื่อถูกคนอื่นยกอธิกรณ์ขึ้นหากสามารถจะสงบอธิกรณ์นั้นด้วยตนเองพึงพยายามไปเสียให้ไกลปฏิบัติเหมือนอย่างที่อธิกรณ์นั้นจะสงบลงนะคือคือไอค้คำว่าไปนี่ก็คือไปไปเพื่อให้อธิกรณ์สงบนะครับไม่ใช่โหรีบหนีไปเลยไม่ใช่งั้นหมายถึงว่าเข้าไปปฏิบัติให้อธิกรณ์สงบนะครับไปเสียให้ไกลมันมีคําว่าไกลด้วยนะครับอ่านแล้ว ให้ฟังยังไงดูเหมือนจะไม่ใช่เข้าหาครับแต่คือหมายถึงว่าอไปทําให้อธิกรณ์สงบระงับนะครับคือพยายามให้อธิกรณ์เรื่องราวแบบนั้นเนี่ยนะไปให้ไกลเหมืงนกันเถอะอีกความหมายหนึ่งนะพูดว่าพระพิสุท่านรู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้อธิกรณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อท่านไปจากที่นั่นแล้วอธิกรณ์จับสงบอย่างนี้นี่ก็จะถือ<ป>ว่า นี่ก็ควรไปควรไปครับแต่แต่บางอย่างเนี่ยนะครับแก้ปัญหาด้วยการไปก็แก้ได้บางอย่างแก้ปัญหาด้วยการเข้าไปไปดับนะคือปัญหาบางอย่างเนี่ยนะครับชักฟื้นออกก็ดับและนะปัญหาบางอย่างต้องเอาน้ำไปรดนะครับเหมือนกับไฟไหม้นะแค่บางบงบางบางอย่างก็ชักฟื้นออกก็ไฟดับและบางอย่างก็ต้องเอาน้ำรดนะครับจึงจะดับนะครับครับแต่หากไม่สามารถจะให้สงบด้วยตนเองได้ ความวิวาทนั้นยังเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไม่สงบลงได้ก็ขอให้เพื่อนสัพพรมารีผู้ใไขการศึกษาผู้เหมาะสมในเรื่องนั้นช่วยเหลือระ ง, งับอธิกรณ์นั้นโดยทําโดยวินัยโดยสัตวศาสตร์พึงให้อธิกรณ์สงบอย่างนี้นะครับถ้ามีปัญหาก็มีคนแก้ได้ก็ให้เข้ามาแก้ให้นะครับเมื่อที่กรสงบอย่างนี้กูโซรธรรมอันทําความพร้อมเพียงแห่งสง์ท่านประสงค์เอาว่าเอกธรรมในที่นี้ ค, คือบุญที่เกิดจากการทำสงฆ์ให้พร้อมเพรียงกันเนี่ยนะจิงอยู่กุศลธรรมนั้นปลดเปรื่องธรรมะเศร้าหมองอันจะนำสิ่งไม่เป็นประโยชน์และความทุกข์อันควรเกิดของภิกษุทั้งหลายผู้ฝักฝ่ายทั้งสองข้างเกิดความสงสัยกันของภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ดำรงอยู่ด้วยความประพฤติตามภิกษุเหล่านั้นของอารักขาเทวดาเหล่านั้นตลอดถึงเทพและพรหมแล้วนำสิ่งที่เป็นประโยชน์และความสุข ให้แก่โลกพร้อมด้วยเทวดาเพราะกุศลธรรมนั้นเป็นเหตุแห่งกองบุญที่หลั่งไหลแห่งกุศลด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเอกธรรมโมภิกเวโลกเกอุปัชมาโนอุปชัชติปหุชนะหิตายะเป็นต้นที่แปลว่าดูความพิสูจนทั้งหลายธรรมะอย่างหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากคือการทำส่งให สามัคคีปรองดองสมักสมากลมเกลียวกันประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนะครับไม่ใช่สมักสมาสามัคคีกันแล้วร่วมทำอาบากุศลน่นไม่ใช่หมายถึงร่วมประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนั่นเองนะครับพึงทราบเนื้อความแห่งพระพุทธพจน์นั้นโดยนัยตรงกันข้ามกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วในสูตรก่อนนะครับโดยอัถบทว่าสังฆาสาสามัคคีได้แก่ความพร้อมเพียงแห่งสงค์คือความ ไม่มีแตกกันความมีธรรมะอย่างเดียวกันและความมีอุเทศอย่างเดียวกันนะครับคือสงสามะคีก็มีธรรมะศึกษาประธรรมะมีนยัยร่วมกันนะครับอุโบสถปาติโมกเป็นต้นก็ร่วมส่วนร่วมเรียนร่วมศึกษาด้วยกันนั่นเองในคาถาทั้งหลายดังต่อไปนี้ว่าสุขาสังฆาสสามะคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขเนี่ยนะครับได้แก่ความสามะคีท่านกล่าวว่าเป็นความสุขเพราะ ความสามคัคคีเป็นปัจจัยแห่งความสุขเหมือนที่ท่านกล่าวว่าสุโขผุททานังอุปาโทนะครับพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นสุขหรือว่าความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นความสุขนะครับเพราะเป็นปัจจัยที่เกื้อกูลต่อความสุขบทว่าสมคานันจะนุขโหได้แก่การอนุเคราะห์ผู้พร้อมเพียงกัน ด้วยการอนุโมทนาในความพร้อมเพียงกันคืออนุรูปแก่สามะคีอธิบายว่าการถือเอาคือดํารงไว้เพิ่มกําลังให้โดยอาการที่ผู้พร้อมเพียงเหล่านั้นจะไม่ละความสามะคีนะครับคือส่งเสริมความสมัครสมานสามะคี ก, ม ก, มกคลมเกลียวปรองดองกันนะครับดูอะไรจะมีปัญหาหนักนิดเบาหน่อยก็เข้าไปแก้ไขเป็นต้นเนี่ยนะครับให้หมูนะ่คณะให้สงเนี่ยพร้อมเพียงกันโดยทําโดยวินยัยโดยโอเุเทศเป็นต้นนะครับ บทว่าสมะคังกตวานะได้แก่กระทาหมู่ที่แตกกันหรือถึงความร้าวการให้พร้อมเพียงกันคือให้มีความเกลื้อกูลกันบทว่ากับปังได้แก่อายุ ก, กับนั่นเองบทว่าสัคำหิโมดติได้แก่ครอบงามเทวโลกเหล่าอื่นในกามมาวจรเทวโลกโดยฐานะสิบเสวยทิพยสุขคนที่ทำบุญประเภทนี้นะครับพอไปเกิดเป็นเทวดาก็เหนือกว่าเทวดาเหล่าอื่นสิบอย่างนะครับ คืออายุวันณะสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสและโพธภาษ์นะครับเด่นเนื้อเทวดาอื่นๆย่อมบันเทิงคือย่อมสเสวยย่อมเล่นด้วยความสําเร็จที่ตนปรารถนาแลว้วนะเนื่องจากทําบุญทําให้สงสามัคคีไปแล้วก็จะทําให้ได้รับประโยชน์ได้รับความสุขอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นผู้ที่สามารถชรําระอธิกรณ์ทำให้หมูนะ่คณะสมัครสมาสามคัคคีปรองดอ ง, ดองกันเนี่ยนะคนเหล่านี้จะได้รับบุญมหาศาลนะครับ แสดงว่ายินดีนะท่านนี้ก็มีโอกาสก็นิมนต์นะครับ